การศึกษาชีวิตจริงๆนั้นต้องสร้างสติเสียก่อนให้สติมีมากพอก็จะเกิดปัญญารู้แจ้งไปเองหลวงพ่อคาเขียนสวนโนสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเนี่ยเราควรจะได้ยนได้ฟังนั้นก็คือเรื่องของธรรมะ เพราะว่าธรรมะเนี่ยทำให้เรารู้จักคิดพิจารณาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเพื่อเป็นการแก้ปัญหาตัวเราแล้วก็ช่วยแนะนำให้กับคนรอบข้างรอบตัวเราจะว่าไปแล้วธรรมะเนี่ยเกื้อกูลทั้งตัวเราแล้วก็ทั้งคนรอบข้างรวมทั้งคนในโลกนี้ด้วยในสังคมในที่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย ถ้าก็ไม่มีธรรมะอยู่เนี่ยมันก็จะมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องวุ่นวายถ้าเราฟังธรรมะแล้วก็นําไปขบคิดแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติเนี่ยเราจะแก้ปัญหาชีวิตเราได้แล้วก็อยู่ในโลกเนี่ยอย่างคนที่ไม่มีปัญหาอยู่เหนือโลกอยู่เหนือปัญหาเดี๋ยวนี้ก็เคยได้ฟังใ บ, บว่าโลกเรานี่มันวุ่นวายเนาะโลกเรามีแต่ปัญหา เมนไม่มีความสงบเลยไม่สงบมีแต่ความวุ่นวายเรามักจะมองว่าโลกวุ่นวายโลกมีแต่ปัญหาแม้แต่บุคคลในโลกเนี่ยก็มีปัญหาคนเนี่ยมีปัญหาคนนน้นก็มีปัญหาคนนี้ก็มีปัญหามีแต่ความวุ่นวายเรามองแต่สิ่งภายนอกแต่งนั้นเลยอันที่จริงเนี่ยเราลองคิดดูดีๆนะโลกเนี่ยเขาไม่ได้วุ่นวายหรอกโลกไม่ได้มีปัญหา เขาเป็นอย่างนั้นเองตั้งแต่ก่อนเราเกิดมาเนี่ยโลกเขาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือมันไม่เที่ยงมีความไม่แน่นอนอยู่เสมอๆโลกนี้ไม่คงที่โลกนี้มีแต่ทุกข์ที่บีบคั้นไม่มีใครสามารถควบคุมโลกให้ได้อย่างใจเราได้อันนั้นเราคือว่ามันคือปัญหาแล้วคนที่อยู่ในโลกเนี่ยพลอยที่จะเปลี่ยนแปลงมีแต่ความทุกข์ แล้วก็ไม่อยู่อำ น, น, นาจงคับบัญชาของใครถ้าคนทั้งโลกนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ทุกข์บีบคั้นเป็นอ น, นัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ก็ เ, เป็นอย่างนี้ตั้งแต่อะไรแล้วตั้งแต่ที่เราเกิดมาก็อนที่จะเกิดมาโลกก็เป็นอย่างนี้เราตายไปเนี่ยโลกก็เป็นอย่างนี้ก็ต้องไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้แหละเป็นทุกข์บีบคั้นอยู่อย่างนี้แหละบังคับบัญชาอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยเราต้องเข้าใจโลกเราต้องดู้ดีว่าโลกผิดหรือเราผิด เราเข้าใจไม่ถูกต้องเองเราก็ใหญ่แกิทุกอย่างได้อย่างใจเราเพราะเราไม่เข้าใจตัวเราไม่เข้าใจชีวิตแล้วก็ไม่เข้าใจคนอื่นที่อยู่ในโลกนี้ด้วยเราไม่ได้ให้หนีปัญหาเราไม่ได้ให้หนีโลกพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญคนที่หนีปัญหาหรือหนีโลกท่านไม่สอนอย่างนั้นแต่ท่านสอนให้เราอยู่ในโลกอย่างรู้เท่าทันแล้วก็ ไม่ปล่อยให้โลกนี้ครบกัดจะเราต้องเป็นทุกข์ไม่อย่างกับลิ้นงูเนี่ยอยู่ในปากของงูท่ามกลางเขี้ยวของงูเนี่ยลิ้นงูเนี่ยย่อมไม่ถูกเขี้ยวของงูคบได้ฉันใดเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยู่ในโลกนี้ด้วยความรู้เท่าทันโลกแล้วก็เราจะ ม, มีปัญหาเลยนะเราจะเข้าใจโลกและเข้าใจตัวเราเองเราจะต้องมีการศึกษา ชีวิตศึกษาตัวเราว่าเราผิดหรือโลกผิดเราผิดหรือเขาผิดเราต้องศึกษาตัวเราก่อนที่จริงการศึกษาตัวเราเนี่ยคือการศึกษาชีวิตเป็นวิชาเอกเลยก็ว่าได้แต่การศึกษาชีวิตศึกษาตัวเราเนี่ยบางทีเราต้องอาศัยการปลีกตัวบ้างต้องปลีกตัวที่เรียกว่าไปปฏิบททัติธรรมอะไรทํานองนั้นแหละปลีกตัวปลีกวิเวกเพื่อจะไปดูตัวเราเองให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ดีนะ การได้ปลีกวิเวกปลีกตัวไปเป็นบางครั้งคราวเนี่ยก็มีประโยชน์สําหรับเราอย่างน้อยเราได้เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไปอยู่ในที่สงบสงัดวิเวกที่มันสงบเงียบมันจะทำให้ใจเราเนี่ยสงบได้เหมือนกันถ้าใจเราไม่สงบเนี่ยเราจะไม่เห็นใจเราเลยเราจะวุ่นวายไปตามเหตุการณ์ต่างๆการปลีกทําให้เราได้พบกับความสงบได้แต่ก็เป็นบางคนนะบางคนแม้ว่า อยู่นิจสงบแล้วแต่ใจยังวุ่นวายก็มีแต่ส่วนมากก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมถ้าสิ่งแวดล้อมสงบใจเราก็พลอยสงบไปด้วยได้เปลี่ยนบรรยากาศได้เปลี่ยนไปปฏิบัติธรรมบ้านบางทีเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยปลีกตัวไปเนี่ยเราได้พบกับครูบาอาจารย์อให้คำแนะนำให้กําลังใจได้พบเพื่อนยติธรรมที่เขาร่วมปฏิบัติอยู่ด้วยกัน อันนี้ก็เป็นสิ่งวารมที่ดีมีประโยชน์สำหรับเราด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือการได้ปรีกตัวไปปฏิบัติเนี่ยมันทำให้เราได้กลับมาดูตัวเราเองอย่างต่อเนื่องย้อนกลับมาดูจิตดจใจของเราดูได้ต่อเนื่องนานๆเนี่ยมันจะเห็นจิตใจเราที่ละเอียดเห็นอารมณ์ละเอียดในจิตใจเราจะเข้าใจจิตใจเรามากยิ่งขึ้นเพราะเราได้มีโอกาส ดูติดดูใจเราได้อย่างต่อเนื่องด้วยสายกันเจริญสตินี่แหละจะเข้าใจตัวเรามากยิ่งขึ้นถ้าเราอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่เมืองที่ทํางานเราก็จะไม่ได้ดูตัวเราอย่างต่อเนื่องหรอก <c oughs> เรามักจะมีหน้าที่ต่างๆมากมายมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องที่จะต้อ ง, งคิดก็มีมากเรื่องที่จะต้องทําก็มีมากก็ดูตัวเองได้แค่ชั่วพักชั่วครู่ แล้วก็หลงไปกับสิ่งแวดล้อมสิ่งภายนอกตัวเราบางทีมันก็ไม่ค่อยได้ผลเพราะฉะนั้นการปลีกตัวไปแต่ละครั้งแต่ละคราวเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์แต่ก็ไม่ได้หมายถึงการหนีโลกนะไม่ได้หนีโลกไม่ได้หนีปัญหาไม่ได้หนีงานหนีการแต่ไปเพื่อฝึกฝนจิตใจเราแล้วเราก็กลับมาอยู่ที่บ้านที่เมืองเราตามปกติสิ่งเหล่านี้นแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็สรรเสริญในการปลีกตัวในแต่ละครั้งเลย พระพุทธองค์ท่านมักจะตัดสอนสาวกไว้บ่อยๆว่าหนุ่นป่านุ่นโคนไม้หนุ่นเรือนล้างว่างเปล่าเนี่ยคือท่านจะไม่ให้คุกคลีกันให้ปลีกตัวไปไม่สารเสริญการครุกคลีกันนํามาซึ่งปัญหาซึ่งความวุ่นวายจนบางครั้งก็คําสอนในทางพุทธศาสนาบางคนก็มีการกล่าวตูวว่าโอ้ศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้หนีโลก การไปปฏิบัติเป็นการหนีโรคหนีปัญหาหนีหน้าที่การงานสอนให้เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ผู้อื่นเอาตัวรอดแต่ฝ่ายเดียวเนจะได้ทําเข้าใจอย่างนั้นไหมก็มีนะมีคนกล่าวตัวสอนให้หนีโรคให้หนีปัญหาให้เอาตัวรอดให้เห็นแก่ตัวสู้ศาสนาที่เขานับถือไม่ได้ศา ส, สนาที่เขานับถือเนี่ยมักจะมุ่งที่จะช่วยคนอื่นก่อนแล้วที่จะมาช่วยตัวเราช่วยคนอื่นให้รอดก่อน ตัวเราที่หลังเนี่ยงงแต่ว่าไม่เห็นแก่ตัวเขาก็ว่าอย่างนั้นมันก็ถูกของเขาถูกขั้นตอนแต่ว่าเป็นขั้นตอนที่ยังไม่ถูกต้องนะยังไม่ถูกขั้นตอนที่แท้จริงเราสังเกตดูศาสนาพุทธเนี่ยมีหลักธรรมข้อหนึ่งที่สอนว่าอนัตตาอนัตตก็หมายถึงว่าความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่เป็นหลักธรรมที่สาคัญเลยสอนเรื่องความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน นี่ถ้าเราไม่มีตัวไม่มีตนแล้วเนี่ยเราจะเห็นแก่ตัวได้อย่างไรเพราะไม่มีตัวตนี้เห็นแก่ตัวคนที่เห็นแก่ตัวนี่มีตัวมีตนนะสอนเรื่องอนัตตาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการเห็นแก่ตัวในพุทธศาสนาปฏิเสธเรื่องตัวตนแม้แต่ปฏิปทาของพระพุทธเจ้าเองก่อนที่จะตัดสัลูเนี่ยท่านก็ต้องออกจากบ้านจากเมืองปลีกตัวไปแสวงหาที่วิเวกไปปฏิบัติไปเฝ้าดูตัวท่านเอง จนเกิดปัญญาแล้วก็บรรลุธรรมแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนพอบรรลุธรรมแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วก็กลับมาอยู่ในโลกนี้มาสอนคนในโลกไม่ได้หนีโลกไปไหนแล้วก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวด้วยไม่แต่สาวกดูหลังๆนี่ก็เช่นเดียวกันนะดูอย่างครูบาอาจารย์ใสมัยปัจจุบันสมัยก่อนเท่าก็ปลีกตัวไปปฏิบัติจนเข้าใจธรรมะบรรลุธรรมแล้วกลับมาอยู่ในโลกนี้มาเที่ยวสอนคนในโลกนี่เห็นไหม สมายเ้เขนว่าครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้มีลูกสิษลูกหาไปฟังธรรมกันมากมายเป็นร้อยเป็นพันท่านก็ไม่ได้เป็นไหนและไม่เห็นแก่ตัวด้วยแต่กลับมาเกื้อกูลโลกเพราะนั้นการออกไปปฏิบัติการเปลียนตัวไปเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์เพราะเราสามารถกลับมาเนี่ยมาอยู่ในโลกได้อย่างหมดปัญหาเราจะเห็นว่ายดริธรรมบางท่านเนี่ยเปลีกตัวไปปฏิบัติธรรม ไ, ได้พบได้เห็นสถานที่ดีๆสงบเงียบส ป, ปายะครูบาอาจารย์สอนธรรมะดีธรรมะที่ปฏิบัติก็ดียศิธรรมที่นั้นก็เป็นคนดีโอ้มีแต่ความดีมีแต่ความสุขธรรมะเจริญมากขึ้นไปปฏิบัติแล้วติด อ, อกติดใจแล้วก็กลับมาอยู่ในบ้านในเมืองมาแนะนาํามาชักชวนกันไปปฏิบัติอันนี้ก็มีมากคือคนเราเนี่ยเมื่อเจอของดีแล้วเนี่ยที่จะมาชักชวนกันไม่ได้ อันนี้ไม่ได้เห็นแก่ตัวนะแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนก็กลับมาไปเพื่อปฏิบัติเพื่อไปฝึกฝนจิตใจแล้วก็กลับมาอยู่ในบ้านในเมืองมาพูดให้ฟังมาทำตัวอย่างให้ดูมาอยู่ให้เห็นก็เป็นประโยชน์ที่สําคัญเราอย่ายึดมั่นถึงมั่นว่าการอยู่ที่บ้านที่เมืองโอ้อันนี้ดีที่สุดแล้วหรือการยึดมั่นถึงมั่นว่าต้องออกไปอย่างเดียวจึงจะดีที่สุดอย่าไปยึดติดเราต้องลองดู ขณะที่เอยู่ที่บ้านเราปฏิบัติทำเราทําได้ดีไหมลองดูหรือเราออกไปปฏิบัติไปปลีกตัวไปปลีกิเวกธรรมะมันจเจริญไหมให้เราเปรียบเทียบดูว่าอันไหนที่มันเหมาะสําหรับเราเราอยู่ที่บ้านหรือออกไปปฏิบัติธรรมะมันจเจริญอันไหนจเจริญมากกว่ากันเราจะไปยึดติดว่าจะต้องอยู่หรือจะต้องไปอย่างเดียวต้องลองดูเราดูว่าเราปฏิบัติแล้ว กลับมาที่บ้านเราจริตใจเราเป็นอย่างไรมันสามารถสู้กับโรคสู้กับภาษาได้ไหมคือมันต้องลองอะ่ะมันยังมีใครยกอาหารมาหนึ่งสำรับเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกทานได้ว่าอันไหนที่มันเหมาะกับเราเนี่ยเรต้องเลือกดู ก, ก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าไปยึดมั่นถึงบั่นว่าอยู่เพราะไปเพราะบางทีเราอาจจะอยู่เพราะติดก็ได้ติดบ้านติดความสุขติดครอบครัวอันนั้นมันก็ยังไม่ใช่หรือ เราไปเพราะอะไรไปเพราะว่าหนีงานหนีปัญหาหนีครอบครัวอันนั้นก็ยังไม่ใช่เราต้องดูว่าอยู่เพราะอะไรไปเพราะอะไรถ้าอยู่เพราะว่าได้ปฏิบัติได้เต็มที่หรือไปเพราะได้ปฏิบัติได้เต็มที่สามารถทำให้ธรรมะเจริญได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นประโยชน์เราต้องรู้จักเลือกเอาลองดูลองดูเพราะสิ่งเหล่าเนี้ใครบอกเราไม่ได้หรอกเราต้องบอกตัวเราเองเราจได้เข้าใจเรื่องปัญหาต่างๆว่า โลกเนี่ยมีปัญหาหรือเรามีปัญหาเราจะเริ่มเข้าใจบางทีเราเจอปัญหาแล้วเนี่ยใครที่มีปัญหาเราก็อยากจะช่วยเข า, าจะบอกกับเขาแต่บางทีเราก็ช่วยเขาไม่ได้แนะนําเขาไม่ได้เพราะเราเองก็ยังมีปัญหาอยู่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ยังไม่ช่วยคนอื่นได้อย่างไรเหมือนคนที่ยังว่ายน้ําไม่แข็งว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็ไปช่วยคนจมน้ําก็กอดคอกันจมน้ำเท่านั้นหลักการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะทําอะไรก็ตามจะคิดอะไรก็ตามจะพูดอะไรก็ตาม จะต้องไม่ทําให้คนอื่นต้องเดือดร้อนแล้วก็ไม่ทําให้ตัวเราต้องเดือดร้อนด้วยทั้งเราและผู้อื่นเนี่ยต้องไม่เดือดร้อนจึงเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการอยู่ในโลกเนี่ยเท่าจะไม่ให้มีปัญหานะเราต้องมีสติศึกษาโลกศึกษาชีวิตศึกษาตัวเราให้รู้เท่าทันโลกแล้วก็รู้เท่าทันตัวเราว่าเป็นอย่างไรอย่างน้อยเราต้องเข้าใจว่าโลกเนี่ยมันก็ไม่เที่ยง มันก็มีแต่ความทุกข์ที่บีบคั้นไม่มีใครสามารถบรงคับบัญชาโลกนี้ให้ได้แรง ใ, ใจเราได้เราก็เข้าใจในส่วนนี้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะไปจัดโลกให้ถูกใจเราให้โลกนี้มันเที่ยงให้โลกที่มีแต่ความสุขให้โลกนี้ในการควบคุมของเราอยู่ล่ำไปเนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจโลกพยายามจัดโลกให้ถูกใจเราแต่เราไม่ได้เคยจัดใจเราเนี่ยให้เข้าใจโลกเลยอย่างเนี้ยเราจะว่า โลกมีปัญหาหรือเรามีปัญหากันแน่เนี่ยเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเพียงแง่คิดนะง่คิดก็บางทีอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้นะก็อย่าเพิ่งด่วนรับแล้วก็ด่วนปฏิเสธแต่ก็ควรจะนำเอาไปพิจารณา